เจ็ดสมถวาระวาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบสมถะในปาราชิกกันปาราชิกสิกขาบทที่5 245ถามอาบัตของภิกษุณีผู้กำหนดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำหนด บรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตของภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สั ม, มุขาวิไนัย 2. ปฏิญญาตกรณะ 3. สั ม, มุขาวินัยกับตินนวัฏฐากะละห้าปาติเทสนียะกันคำถามคำตอบสมถะในปาติเทสนียะกันละปาติเทสนียะสิกขาบทที่8ถามอาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉัน บรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัติของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปเรี้ยวมาฉันบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สำ ม, มุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตะกรณะ 3. สัมำมุขาวินัยกับตินวมมว น, ตนวัฏฐากะสมถะวาระที่เจ็ด จบ